รู้หลักแล้วนะคือการปฏิบัติธรรมนะเป็นการยกระดับใจของเราขึ้นมาเราจะต้องลดละบาปอกุศลทั้งหลายความชั่วไม่ทาแล้วก็สร้างคุณงามความดีไปความดีของเราก็มีทานมีศีล มสมถาวิปั ส, สนาสมาธิปัญญาความชั่วต้องละเราสำรวจตัวเองอะไรที่เรายัางไม่ดีเลิกซะทุกคนรู้ด้วยตัวเองได้ถ้าเรากะว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความชั่วเราไม่ลดไม่ละวันหนึ่งมันจะหมดไป การปฏิบัติของเราไม่ได้ผลพระได้เจ้าถึงสอนว่าให้ละบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้ผ่องแผ้วเป้าหมายปลายทางก็คือจิตเราต้องผ่องแผ้วผ่องแผ้วก็คือไม่มีกิเลสจิตเราจะไม่มีกิเลสได้เราก็ต้องงดการทําบาปทั้งปวง ทางกายทางวาจาทางใจทำกุศลให้ถึงพร้อมทานศีลสมาธิปัญญาต้องฝึกต้องทำเป็นคารวานะเนี่ริเจ้าจะสอนทานศีลภาวนาภาวนานี่รวมสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนา ถ้าเป็นนักบวชไม่มีวัตถุทานมีแต่ธรรมทานท่านเน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาที่จริงแล้วปัญญาก็เป็นของกลางไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระถึงจะมีเป็นกราวาดก็ทำได้ฆราวาดไม่ได้ปวดแต่จิตเป็นพระก็มีไม่ใช่ไม่มี ตั้แต่พุทธกาลมาก็มีเยอะแยะฆรวาดได้ธรรมะโซดาสกทาคานาคามีหลายท่านฆราวาสที่ได้พระอราหันต์ก็มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าท่านไม่ได้บวชมานนั้นท่านก็จะนิพพานไปเลยทำไมกราวาสกว่าจะบระรลุพระอราหันต์เอาวันสุดท้ายใจมันถึงจะยอมปล่อย วันสุดท้ายของชีวิตแล้วใจยอมไปก่อนหน้านั้นยังไม่ยอมฉะนั้นวันสุดท้ายของชีวิตเนีมีหลายองค์นะบรรลุพระอรหันต์บางท่านอยากบวชนะขอบวชกับพระพุทธเจ้าพุทอเจ้าบอกให้ต้องไปหาบาทรหาชีบอก่อนถ้าเป็นยุคนี้สบายมาขอหลวงพ่อให้หาชีบอน ขอให้เป็นพระอรหันต์เถอะเนี่ ง, งพระพาหิะพป็นเอตทักขาทางตัสรูเรยวรนะฟังธรรมานิดเดียวเป็นพระอรหันตนะ์ฟังอยู่กลางถนนนะท่านเดินมาเจ็ดวันเจ็ดคืนรีบมาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า มาถึงวัดพระบอกว่าพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตให้รออยู่ที่วัดท่านบอกรอไม่ได้ท่านไม่อยากประมาทนะท่านจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ท่านตามไปที่ในเมืองจเจอพระพุทธเจ้ากาลังเดินบิณฑบาตท่านก็ทูลขอฟังธรรมัพระพทเจ้าบอกยังไม่ใช่เวลา เป็นเวลาท่านจะบินตบาตเดี๋ยวขอเวลาบินตบาตก่อนพระภิกษุท่านก็เตื้อขอข้างที่สองข้างที่สามท่านบอกว่าท่านจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือบางทีพระุทธเจ้าจะนิพพานไปก่อนก็ได้ใครจะรู้ถ้ารอให้พระพุทธเจ้าบินตบาตเสร็จก็ถือว่าประมาท เนอินทรีย์เขาแก่กล้ามากพระเจ้าสดแสดงธรรมให้ฟังสั้นๆบอกเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินกษ็ิย์แต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สั์แต่ว่าทราบความเป็นตัวตนจะไม่มีความเป็นตัวต น, วนตวตวในอดีตก็ไม่มีในปัจจุบันก็ไม่มีในอนาคตก็ไม่มีนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ท่านฟังแค่นี้บรรลุพระอรหันต์ ยังไม่ได้บวชล้วขอบวชพระพุทธเจ้าบอกให้ไปหาบาทหาจีบอลท่านก็แยกจากพระพุทธเจ้าไปไปถูกหัวกิด ต, ตายพอพระ เ, เจ้ากลับมาวัดแล้วพระก็มาบอกว่าวันนี้า่ายี้งที่ท่านหยุดเทศให้ฟังตายแล้วคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนนบอกไม่เกิดแล้ว ถึงที่สุดคือพระถามว่าเขาได้ธรรมมาแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นพระไหม่พรายังไม่ได้บวชจะเป็นสมณะไม่เป็นบรรพชิตไหมพระเจ้าบอกเป็นงั้นเป็นโดยอัตโนมัติยังไม่ทันจะบวชใจเป็นพระไปแล้วถือว่าเป็นพระนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ใจเรา ฆราวาสก็ทำได้อย่าคิดว่าฆราวาสทำไม่ได้แต่ฆราวาสเน่มีโอกาสน้อยที่จะได้ฟังธรรมะปฏิบัติในขั้นสูงจริงๆไม่ค่อยมีโอกาสเข้าวาัดลากเทศเรื่องทำทานถือศีลอะไร่งจบแค่เนี้ยอย่างเก่งก็พานั่งสมาธิห้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทรทำไปเรื่อยๆ ตอนหลวงพ่อเด่กๆไปเรียนกับท่านพอดีท่านก็สอนแค่นี้แหละหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรที่หลวงพ่อทำหวังว่าวันหนึ่งจะได้บรรลุมรรคผลทำอนาปนาสติหายใจไปเรื่อยๆมีสติอยู่กับการหายใจยี่สิบสองปีไม่บรรลุอะไรจะเจริญปัญญาไม่เป็นทำได้แต่สมาธิ มาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนการเจริญปัญญาหลวงพู่ดูลเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากนะท่านไม่มีสูตรสําเร็จในการสอนอย่างถ้าใครเข้าไปหาท่านไปขอเรียนกรรมฐานเนะี่ยหลวงปู่จะนั่งเงียบๆหลับตาไปนานบางอง์บางท่านไปถามนะีแหละท่านหลับตาเป็นหลวงปู่หลับตาเป็นชั่วโมงหนะึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านหลับตาไป ครึ่งชั่วโมงกว่าไม่ถึงชั่วโมงลืมตาให้มนมาก็สอนหลวงพ่อให้ดูจิตท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านสอนให้พุโทโธพุดโธไปเรื่อยๆรยจนกระทั่งพุดโธหายไปบางคนท่านก็ให้ดูกระดูกบางคนท่านให้ดูผมเส้นเดียวแต่ละคนไม่เหมือนกันในหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ดูจิตไปเลย ท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองในหลวงพ่ออ่านจิตนไม่ใช่ไปทําจิตให้นิ่งแนละ้วฝึกจิตให้สงบให้นิ่งอนะไรนี่นเรื่องของสมถะ ต, ตอนที่หลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดูลเนนะี่ยท่านบอกให้ดูจิตตัวเองมันตื่นเต้นรู้สึกว่าจิตเนะี่ยมันอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรทํำไมเราไม่รู้จักมีครูบาอาจารย์มาบอกให้เราดู จิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จิตอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รู้สึกจิตอยู่กับตัวเราเองแท้ๆเลยแต่เราไม่มีอะไรที่รู้เกี่ยวกับจิตเลยไม่เกิดความสนใจให้มันพอมีความสนใจมันก็ขยันดูมีชันทะก็ เ, เกิดพิริยะให้มนมามีจิตตะคือความจดจอคอยดู คือตัวสมาธิทธั่นะีมีวิมังสาใจนี้มันเคล้าเคลียคล้คลวนเรียนรู้จิตอยู่ในขณะนั้นลืมคำว่ามรรคผลนิพพานอะไรลืมหมดเลยมาเจอหลวงพุดุลเนี่ยตอนเจอท่านพอดีเนยะอยากนั่งภาวนาท่านใะห้นั่งอนาปนาสติเรขยันทําทุกวันทุกวันนะหวังว่าจะบรรลุมรรคผล พอมาเจอลงปู่ ด, ดูท่านให้ดูจิตสนใจที่จะดูมันแปลกอยู่กับเรามาแต่ไหนเท่ไารา ท, าา ท, าาทำไมเราไม่รู้จักมันพอสนใจมีชันท้ามีความสนใจพอใจที่จะดูก็เกิดความขยั่ดูแบบวิริยะจิตใจมีสมาธิในการดูมันสนใจถ้าเราสนใจอะไรเราก็จะมีสมาธิในสิ่งนั้นอย่างเราสนใจ ในการอ่านหนังสือเ้าก็มีสมาธิในการอ่านหนังสืออย่างตำราเรียน เ, นยเราไม่ค่อยสนใจเราก็ไม่มีสมาธิที่จะอ่านนี่พอหลวงพ่อสนใจที่จะอ่านจิตตนเองเมันก็มีจิตตั้งความใส่ใจพอใส่ใจแล้วเรียนรู้ไปด้วยนะตรเ น, นี้ยเข้าเคลียรเรียนรู้ไปนี่เรียกว่า ม, มังสาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสา เป็นองค์ธรรมในหมวดที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาตสี่คือธรรมะที่ทำให้ประสบความสำเร็จถ้าเรามีอิทธิบาตในการทรมาหากินทางโลกนะครบสี่อย่างเราก็จะประสบความสำเร็จในการทำมาหากินเรามีอิทธิบาทสี่อย่างต้องสี่นะต้องครบนะักมีอิทธิบาตสี่ในการปฏิบัติเราจะได้ผลของการปฏิบัติ นี่พอหลวงพ่อไปดูจิตเราเห็นจิตมันทํางานการดูจิตเนี่ยมันดูได้สองอย่างอย่างแรกดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตมีอะไรบ้างมีรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นี่กลุ่มหนึ่งเรียกว่า เวทนาที่เกิดทางใจพวกเรารู้จักสุขไหมสุขใจรู้จักไหมรู้จักทุกข์ใจไหมรู้จักเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ใจไหมเรารู้จักอยู่แล้วนะนั่นจะมาบอกว่าดูไม่เป็นดูไม่เป็นมันไม่ดูต่างหากอะถ้าจะดูก็ดูเป็นเพราะรู้จักแล้วเมื่อกี้ยอมรับแล้วนะว่ารู้จักใจิตใจมีความสุขรู้จักไหม รู้จักมาจิตใจเป็นทุกข์รู้จักไหมรู้จักเด็กเล็กเลก็รู้จักจิตใจไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักไหมรู้รู้จักจิตใจเป็นกุศลจิตใจดีรู้จักไหมหรือไม่เคยดีเลยจิตใจชั่วโลภโกรธหลงรู้จักไหมใครรู้จักโลภใครไม่รู้จักใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นยังไงอยากโน้นอยากนี่ เห็นไหมวันหนึง่งวันหนึ่งความอยากเกิดมากมายโกรธเป็นไหมโกรธโกรธมีหลายแบบนะโกรธแบบโกรธจริงจังเลยหงุดหงิดนี่โกรธเล็กๆหงุดหงิดเป็นไหมหงุดหงิดก็เป็นใช่ไหมโกรธหงุดหงิดขี้เหนียวขี้เหนียวนี่ก็ตะกุนโถสานะเวลาความขี้เหนียวเกิดนะ่ใจไม่มีความสุขยังเราห่วงของเราห่วง ใจเราไม่เป็นกวาสุขอย่างอาหารไม่ใช่ของเรานะของคนอื่นมาเอามาแต่ดูน่ากินเรากำลังเข้าแถวเราเล็งเราห่วงไข่พะโล่ลูกเนี้ยดามากนะน่ากินห่วงคนอื่นมาตักไปโทสะแรงๆก็เกิดตัวที่จิตห่วงเนะเป็นโทสะนะวิธีดูว่าจิตเป็นราคาหรือโทสะมีราคาหรือโทสะดูง่ายๆเ่ยถ้าจิต ไม่สบายใจอันนั้นทุศักด์ถ้าจิตสบายใจหรือจิตเฉยๆเป็นกลางๆไม่ได้ไม่พอใจอันนั้นอาจะเป็นโลภะโมหะนีมันจะเป็นเฉยๆซื้อบื้อเฉยๆถ้าจิตมีโลภะมีราคะมีความสุขได้จะเป็นอุเบกขาได้ เวลามีราคามีความสุขรู้สึกไหมเวลามีราคามีความสุขใ่เวลาใจไม่มีความสุขอันนั้นเป็นโทสะนะดูง่ายๆอย่างนี้อิจฉาเป็นราคหรือโทสะอิจฉาเวลาอิจฉามีความสุขไหมไม่มีความสุขอิจฉาเป็นโทสะเนี่ยดูอย่างนี้นะว่ากิเลสตะกูลไหน ดูที่เวทนาเวทนาที่เกิดร่วมกับโทสะมีอันเดียวคือทุกขเวทนาทางใจมีซัพ์เรียกว่าโทมนัตเวทนาเราไม่ต้องไปเรียกชื่อมากมายเรียกว่าตัวไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจอยู่ในตระกูลโทสะตัวเฉยๆกับตัวสบายใจเนยอยู่ในตระกูลโลภะโมหานี่มันจะเฉยๆเวลาจิตเป็นกุศล เวลาจิตเป็นกุศลนะจะมีความสุขจะมีอุเบกขาไม่มีความเศร้าหมองในใจเมร่ะเวลาจิตเป็นกุศลเนะีมีเวทนาเหมือนเหนกับเวลามีโลภะงั้นเวลาจิตมีความสุขไม่ใช่สรุปได้นะว่าจิตเป็นกุศลจิตอาจจะมีโลภะก็ได้ แต่ถ้ามีความทุกข์ขึ้นมาสรุปได้เลยว่าจิตมีโทสะเวลากุศลแน่นอนไม่ใช่กุศลสังเยตใจตัวเองไปเวลาเราดูจิต ด, ดูใจนะเราดูง่ายๆอันแรกเลยดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลหรือว่าโลภโกรธหลงไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรบางทีเห็นมันขยุกขยิก ไม่รู้ว่าดีหรือชั่วไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์นันไหวๆขึ้นมาก็เห็นไปรู้ความรู้สึกทุกอย่างอย่างที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่อันนี้เป็นการดูจิตอย่างหนึ่งนะคือดูที่ความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วพูดง่ายๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันการดูจิตมีวิธีหนึ่งที่ประณีตลึกซึ้งกว่านั้น ไม่ใช่ดูที่ความรู้สึกแต่ดูที่พฤติกรรมของจิตจิตมีพฤติกรรมคือเดี๋ยวเขาวิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟงังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจเมื่อจิตมันส่งไปส่งมาเรื่อยๆตัวนี้เรางปู่ดูลินจิตออกนอกจิตส อ, ออกนอก งั้นจิตหลงไปคิดไหลไปคิดจิตถลาไปอยู่ในโลกของความคิดจิตออกนอกจิตหลงไปดูลองดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ยอดมีเปลเวละสมีดูซิว่านับดูมีกี่แฉกสังเกตไหมว่าใจเราไปอยู่ที่ยอด พระเกตพระเนี่ยออกทางตาอย่างนี้ออกทางตาออกทางหูเช่นเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆใจเราพิ่งไปฟังนี่จิตออกทางหูเวลาที่เราดูโทรทัศน์ซีรีส์ยังยังเห่อซีรีส์เกาหลีอะไรกันอยู่ไหหรือเลิกแล้วยุคนี้เขาเห่ออะไร <c oughs> เวลาเราดูโทรทัศน์ย่งเห็นไหมใจเรา เราวิ่งไปดูบ้างวิ่งไปฟังบ้างวิ่งไปคิดบ้างไม่มีหรอกดูอย่างเดียวฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูไม่รู้เรื่องฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าหนังมันเล่นยังไงคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ดูสิมันนั่งคิดเอาเองแต่จิตเราเนี้ยอย่างเวลาเราดูทีวีนะจิตมันจะสลับตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิด ไม่ต้องดูทวีวีในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพอ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดหนึ่งก็เอาไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถ้าเราภาวนาดูจิตเก่งๆเนะี่ยเราจะเห็นเลยอุย้ยจิตไปดูแล้วจิตหลงไปดูแล้วจิตหลงไปฟังแล้วจิตหลงไปคิดแล้วเติมคําว่าหลงลงไปไหนเพราะว่ามันหล ง, งจริงๆเราไม่ใช่พระทหารจิตมีธรรมชาติส่งออกนอก แต่พระอริยเจ้าคือพระอรหันตนะ์มีจิตไม่ออกนอกถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จิตยังไหลไปไหลามาอยู่เั้นอย่างเราภาวนานะเกิดนึกว่าเป็นพระอรหันต์รือเปล่าเนะี่ยสังเกตจิตจ ต, ตัวเองจิตยังไหลไปไหลามาไหมแต่ไม่ใช่ไปตั้งอยู่โดยเจตนาตั้งนะแล้วบังคับให้นิ่งๆเพ่งไว้เฉยๆอันนี่ไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนี่มันยังทรมานจิตตัวเองอยู่ยังอยู่ในอัตตากิลมถานโยกอยู่ จิตพรนธะหันไม่หลงในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตพวกเราหลงเป็นธรรมชาติธรรมดาหลวงปู่ดูลบอกธรรมชาติธรรมดาจิตย่อมส่งออกนอกแต่จิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยไม่มีสติจิตเก็กับเพื่อมบันไหมสุวยินดียินร้ายขึ้นมาแต่ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมบันไหมิ่งไม่มีสติยินดียิร้ายขึ้นมาเนี่ย ผลที่เกิดขึ้นคือทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสตินะผลที่เกิดขึ้นคือตัวปัญญานั้นถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยอยากกรวจิตออกนอกแต่ต้องมีสติถ้าส่งออกนอกไปแล้วไม่รู้ว่ามันออกนอกนะอันนี้จิตเป็นอกุศลร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้เจริญปัญญาเราหลงถ้าจิตมันไหลไปแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตไหลไปแล้ว จิตไหลไปดูจิตไหลไปฟังจิตไหลไปคิดอย่างนี้เราเดินปัญญาอยู่นั้นการเจริญปัญญาไม่ใช่จิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆนะจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะธรรมดาของจิตพวกเราก็คือส่งออกนอกเคลื่อนไหวตลอดเคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ห้ามแต่เมื่อมันเคลื่อนแล้วมีสติรู้ทันว่ามันเคลื่อน แล้วมันจะสะสมปัญญานะต่อไปมันจะเกิดปัญญาให้มันจะเห็นว่าจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้ดูก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้ฝังก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้คิดก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้เพ่งจ้องนิ่งๆอยู่ก็ไม่เที่ยงตรงที่เห็นความไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาละ เราดูความเปลี่ยนแปลงออกคร่าให้มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปทำจิตให้ไม่เปลี่ยนแปลงนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพยายามฝึกจิตให้นิ่งๆไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงองเนี้กาลังทำอยู่ไม่ให้จิตเคลื่อนไหวดูเท่ดีเหมือนเล่นโขน <c oughs> <c oughs> ดูแล้วอเนจอ น, นาต ลอยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้มไปเนการดูจิตเนี่ยเราดูได้สองอย่างนะอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันนี้พวกที่สติอย่างช้าต่อมาพอเราฝึกไปจนเราชํานาญขึ้นนะจิตเคลื่อนพวกเรารู้จิตเคลื่อนพวกเรารู้เคลื่อนไปดูก็รู้เคลื่อนไปฟังก็รู้เคลื่อนไปคิดรู้ตัวที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตมันจะไม่หลงปลงสุขปลุงทุกข์ปลงดีปลงชั่วอะไรขึ้มาแล้ว แต่ว่าจิตในขณะนั้นจะมีเวทนาสองอย่างนะแต่ว่าไม่ได้เป็นเวทนาที่หลงไปไม่ได้เกิดจากจิตที่หลงไปหลงไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยคือโลภะคือราคะแต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาทมีเวทนาสองอย่างเหมือนกันบอกแล้วว่ากุศลนี่นมีสองอย่างเวทนาจิตตวงนี้มีความสุขผุดขึ้นมาหรือจิ ต, ตัวนี้เป็นอุเบกขาเนี่ยตัวผู้รู้มีเวทนาสองอย่าง คือมีความสุขอย่างพวกเราเวลารู้สึกตัวรู้สึกไหมพอรู้สึกตัวมีความสุขผุดขึ้นมาไม่ได้เจตนาให้มีความสุขความสุขมันผุดขึ้นมาเองพอจิตดอนนั้นเป็นกุศลมีความสุขขึ้นมาฝึกไปเรื่อยจิตเป็นอุเบกขามันไม่สุขแล้วมันเป็นอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยประณีตประณีตนะกว่าความสุขนะอย่าไปตก อ, อกตกใจเฮ้ยภาวนาทีแรกมีความสุขจังเลยภาวนามาเรื่อยๆทำไมเฉย เฉยๆนะถูกแล้วถ้าภาวนาแล้วก็สุกแลเกินสุกแล้วเกินปีนี้ก็สุขปีก่อนก็สุกปีนู้นก็สุกปีหน้าก็สุอ่อเอไม่ได้เรื่องหลวงพ่อเคยไปเจอผู้ชายคนนึงเป็นด็อกเตอร์เลยนะไปภาวนาเคยเรียนอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ไปภาวนาอยู่ที่แห่งหนึ่งไปเดินจงกรมเนี่ยทําใจว่างๆเดินทําใจว่างๆ เราไปเห็นเขาก็ดีมันทำอย่างนี้ก็บอกมันตรงๆนะด็อกเตอร์เมื่อปีก่อนจิตก็เป็นแบบเนี้ยปีนี้ก็จิตก็เป็นแบบนี้ปีหน้าจิตก็เป็นแบบนี้อีกกี่ปีก็เป็นแบบเนี้ยสบายว่างๆอยู่เฉยๆไม่ไปทำจิตให้ว่างนะปล่อยให้จิตทำงานไปตามธรรมาชาติแล้วเรามีสติตามรู้แฟแล้วปัญญามันจะเกิด อย่างตอนหลวงพ่อภาวนานะวงพ่จิตเคลื่อนเราดูเคลื่อนเราดู้ลวงพ่ไม่ไปเสียเวลาดูสุขทุกข์ดีชั่วแล้วตอนแรกๆดูได้สุขทุกข์ดีชั่วประมาณจิตมันเคลื่อนเราเห็นนล้วเคลื่อนเคลื่อนเราดูเคลื่อนเราดูดูอยู่แค่นี้เองสุดท้ายปัญญามันเกิดนะจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ควบคุมไว้ไม่ได้จิตที่เคลื่อนไปก็ห้ามไม่ได้ ตรงที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่ว่าอนัตตางั้นเวลาเราดูจิตดูใจเนี่ยเราจะเห็นเด่นใน้สองตัวคืออนิจจังขอเคยมีแล้วไม่มีเช่นเคยมีความสุขแล้วไม่มีเคยมีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายไปเคยเป็นกุศลแล้วกุศลก็หายไปเคยโลภความโลภเกิดแล้วความโลภก็ดับความโกรธเกิดความโกรธก็ดับความหลงเกิดแล้วก็รู้สึกตัวความหลงก็ดับ ตรงที่เห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยนะของเคยมีแล้วไม่มีนี่เรียกเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันเป็นไปได้เองนะไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับนั่นเรียกเห็นอนัตตาอัานดูจิตนี่จะเด่นอยู่สองตัวคืออนิจจังอนัตตาเนะฉะั้นถ้าเราไปทำวัดมีบทธรวัดเช้าจะมีอยู่บทหนึ่งพรนะพุทธเจ้าสอนรูปงังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนา สัญญาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังนะแล้วท่านกระโดดขึ้นรูปังอนัตตาเลยไม่มีรูปังทุกขงังเพราะการสอนเรื่องขันห้าเนี่ยสอนให้พวกดูจิตถ้าสอนอายตนะหกเนี่ยนะเหมอกับพวกดูกายเพราะในอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายห้าอันเนี่ยเป็นส่วนของรูปธปรรมมีใจเป็นนมามธรรมมันเดียวแต่ขันห้านะมีรูป เป็นรู ป, ปรธรรมอันเดียวอีสี่ตัวที่เหลือเวทนาสุขทุกข์สัญญาความจําได้หม่รู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณคือตัวจิตเป็นนามนธรรมตัวนามนธรรมเนี่ยใตรลักณ์ที่จะแสดงได้เด่นคืออนิจจังอนาัตตาเว้นพุทธเจ้าท่านสอนได้ถูกต้องท่านสอนรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตา จากอนิจจังขึ้นอนาัตตาอฉะ น, นั้นท่านสอนเพื่อการปฏิบัติถ้าสอนตามหลักสูตรทฤษฎีวิชาการ้ยต้องอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นเวลาเราดูจิต ด, ดูใจนะอนิจจังเด่นก็ดูอนิจจังอนัตตาเด่นก็ดูอนัตตาไปส่วนตอนแตกหักจะบรรลพระอรหันต์เนี่ย มันจะไปเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนี่เรื่องของมันถ้าเห็นมันไม่เที่ยงนะเป็นพระลหันโดยการบรรลุด้วยอ น, นิมิตะาวิโมกเรื่องอ น, นิมิตะาวิโมกไม่มีนิมิตหมายถึงอะไรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปหมดแล้วนั้นเห็นอ น, นิจจงถ้าบางท่านเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าอาปาณิหิตะาวิโมก แลบางท่านเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นอนัตตาไม่ว่าสุญญาตาวิโมกอันเนี้ยจิตมันเป็นเองเราไม่ต้องไปเลือกนะว่าเอาละเราจะไปด้วยสุญญาตาวิโมกรับลองไม่ไปไหนเลยฟุ้งซ่านอย่างเดียวเลยจิตมันเป็นเองเราไม่ต้องไปเลือกหน้าที่เรารู้สภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วเกิดรู้ หรือถ้าเห็นจิตมันวิ่งไปทางตาได้แล้วก็พอรู้ทันมันก็มีจิตรู้ขึ้นมาจิตวิ่งไปทางหูพอรู้ทันว่ามันหลงไปทางหูมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาจิตวิ่งไปคิดพอรู้ว่าจิตวิ่งไปคิดมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมามันไม่ใช่จิตดวงเดิมนะจิตที่วิ่งไปดูกับจิตที่รู้เนี่ยมันคนละดวงกันนะอย่าไปนึกว่าเป็นจิตดวงเดียวอย่าคิดว่าจิตมีดวงเดียว งันถ้าคิดว่าจิตมีดวงเดียวนะพอจิตวิ่งไปดูก็จะไปดึงคืนจิตวิ่งไปฟังพอรู้ว่ามันวิ่งไปฟังก็จะไปดึงคืนจิตวิ่งไปคิดก็จะดึงคืนใครเคยดึงจิตคืนบ้างเวลาจิตวิ่งไปแล้วดึงคืนอะไรเกิดขึ้นแน่นงั้นท่านแน่นแม้แต่นิดเดียวน ะ, สะแสดงว่าดึงนะะแสดงว่าแทรกแสงแล้วไม่ใช่วิปัสสนาแล้ววิปัสสนาคือเห็นอย่างที่มันเป็นแต่นี่ไม่ได้เห็นอนะ อันนี้เข้าไปแสกแสงแทรกแสงใช้ไม่ได้นั้นเห็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นจิตใจหลงไปคิดจิตที่หลงไปคิดเป็นอกุศลจิตที่มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้หลงไปคิดจิตดวงนี้เป็นกุศลนะจิตคนละตัวกันคนละดวงกันจิตดวงเก่าที่หลงไปคิดตายไปแล้วไม่ต้องไปเอาคืนพยายามไปลากผีคืนมามันถึงอึดัดเอาของที่มันดับไปแล้วจะเอากลับมา คราำครวญถึงสิ่งที่ดับไปแล้วเนยใช้ไม่ได้เพราะจิตเนี้เกิดดับตลอดเวลานะจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดไปจิตที่ไปฟังจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสลับกันไปอย่างเนี้ยะเกิดทีละดวงดวงนี้เกิดขึ้นมานะดวงก่อนก็ดับไป ดวงใหม่มีขึ้นมานะดวงปัจจุบันนี้ก็ดับไปนีดับไปอย่างนี้ด้ดยแท่ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตไม่ได้มีดวงเดียวเพราะงั้นไม่ต้องไปรักษามันไม่ต้องห่วงมันจิตรอบเกิดก็ไม่ต้องไปห่วงไม่เอาจิตคืนจิตรอบไปเอามันทำไมจิตอัุศลเพราะมีจิตรู้เกิดขึ้นจิตรอบดับไปแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องไปดับกิเลสไม่มีกิเลสจะให้ดับ จำไม่เลยนะเวลาเราดูจิตนะไม่ต้องไปนั่งแก้กิเลสไม่มีกิเลสจะให้แก้มันดับไปแล้วในขณะที่จิตโกรธเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธเกิดขึ้นจิตดวงที่มีสติเป็นคนละดวงกับจิตโกรธจิตโกรธเป็นอดีตไปแล้วเนะี่ยหัดดูอย่างนี้นะคนละดวงกันเพราะงั้นไม่ต้องไปตามแก้ไว้จิตฟุ้งซ่านจะแก้อย่างไงฟังแล้วอยากเบิร์ตกะโหลกจิตฟุ้งซ่านแล้วจะแก้อย่างไง แสดงว่าเรียกอย่าหลวงพ่อไม่รู้เรื่องจิตฟุ้งซ่านทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกดูคราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟาุ้งซ่านพระเจ้าไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายห้ามฟาุ้งซ่านภิกษุทั้งหลายเมื่อฟุ้งซ่านแล้วรีบล้าเสื้อไหว้พระเจ้าไม่ได้สอนนั่นรู้ซื่อไปรู้ตรงซื่อจิตโลกมันก็ดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับจิตรู้ว่าเมื่อกี้โลกตัวนี้เป็นจิตรู้นะ หรือจิตรู้ว่าเมื่อกี้หลงจิตรู้เมื่อกี้โกรธเนี่ยตัวจิตรู้เป็นอย่างนี้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงไม่ต้องรักษาให้เที่ยงบางคนรักษาจิตรู้ให้เที่ยงนะเนี่ยทำจิตแบบนี้ดูทั้งวันเลยไม่เคยหลงโทเออไตอนทำอย่างนี้กำลังหลงอยู่แล้วบอก่าไม่หลงมีผู้หญิงคนหนึ่งนะหลวงพ่อบอกเขาว่ารู้สึกตัวไว้คือเขาทาจิตอย่างนี้ หลวงพ้าบอกรู้สึกตัวไว้เขา ท, ทําไยดิฉันไม่เคยหลงเลยเห็นแล้อ อ, อนุโมทนาเกิดมาไม่เคยหลงเลยที่จริงก็คือไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยเพราะงั้นจะไม่เคยรู้สึกว่าหลงเลยคนในโลกเนี้หลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัวว่าหลงถ้าเมื่อไรเรารู้ตัวเป็นนะเราจะรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยอยู่กับความหลงทั้งนั้น งั้นไม่รักษาจิตนะไม่ไปดึงจิตคืนนะนี่คือหลักของการดูจิตรู้ไปรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วรู้พฤติกรรมที่มันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เฉยๆรู้แล้วก็ไม่ดึงคืนกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่รักษาไปเพาะรู้เพ้าดูอย่างนี้ไม่นานก็จะเข้าใจตอนนี้ตีห้าสี่สิบห้าละ รู้สึกจะต้องเทศอีกนานนะหาจจะได้เวลากินข้าวนิมนต์นะครับเชิญไปทานข้าว